เจ็ดธรรมเทศนาสิกขาบทหกสิบถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้แสดงธรรมแก่มาตุคามเกินหถึงหคำณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารพท่านพระอุทายีถามเพราะเรื่องอะไรตอบ เพราะเรื่องที่ท่านพระอุทาหยีแสดงธรรมแก่มาตุคามในธรรมเทศนาสิกขาบทนั้นมีหนึ่งพระบัญญัติสองพระอนุบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นปะทะโสธรรมะสมุดฐาน